ที่เราต้องเรียนกันไม่ได้มากอะไรฟังทีเดียวก็เยอะหน่อยถ้าฟังแล้วฟังอีกหมูหมูสบายนะ <c oughs> เรียกพลิกพิกเนาะง่า <c> ย <oughs> ไม่ยากหรอก <c oughs> อันแรกเลยเราจะเรียนตัวทุกขนะ์ครับว่าทุกข์มีหลายอย่างแต่ที่บอกแล้วนะความเจ็บปวดทางร่างกาย <c oughs> ก็เป็นทุกข์ทางกายเรียกทุกขเวทนา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 ปฏิบัติยังไงให้เกิดสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเพื่อเอาไว้เดินปัญญ า, าไว้ทํำวิปัสสนาแล้วก็การทํำวิปัสสนากรรมาฐานการเจริญปัญญานั้นทําอย่างไรมันจะเต็มไปด้วยคําว่าหาวนะอย่างไรที่เราจะเรียนในเรื่องหาวรับตังนั้นเลยเคยได้ยินคําว่าโนหาวไหมโนหาวแพงนะแพงมากๆเลยอย่างเราจะไปจ้างคอนซัลท์จ้างอะไรเนี่ยซื้อโนหาวของมันอะ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 แต่จริงๆศีลเราตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอที่พระนะตั้งใจงดเว้นคาว่าศีลเนี่ยตัวศีลจริงๆคือเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทำบ า, อาปอกุศลทางกายวาจาห้าอย่างถามจริงๆใครจําศีลห้าไม่ได้บ้างภาษาไทยเนื้อหานะไม่ต้องภาษาบาลีใครไม่ได้บ้างศีลข้อวศีมีไหมเป็นยังไงใครตอบได้ข้าวีลเรื่องอะไร